ผมแค hey, okay, e ่เชิร oh, so ์ฟเทปมีบ oh, ัญชีเ so ข็ยว่าบาร์ม like, ีพ่อช้าตุรกียังก็ไปตีก๊อบดูไปโตเกียวเพื่อไปบัดกรีทารแต่ว่านาฬิกาพราะกูใส่ทีชาร์พี่แม่งโคดฟลักพี่แม่งโคดฮอสน้องไม่เผ็ดพอพี่ก็โดนไฟชาทีนี้วัดกันว่าจะเป็นใครนะข้าไปฮอสบ็อกแต่เธอไม่เอกจนไฟลุกทำมาจันทร์แล้วเต้นเต้นตุ๊บตุ๊ว้าวอยาชวนเธอมาเล่นปั๊กระเปล่ายิงชุบจัดพาที่เขาไปชุดชุดว้าวก็พี่คนจริงแรงจริงไม่คิดจุไม่ได้ปอดไม่ได้แสบเพียขยับเข้ามาดันไม่ต้องแแอบบบไม่ต้งีเค้นนไม่ต รีแลกซ์ต้อมอย่าแค่นั้นตัวพี่กะตี uh, แต่ตัวอ้แอเพิ่งเห็นกับ บอกเลยบ่ได้หลอกจริงใจสัมนียกับพ่อยาสิมายยกยาสิมาออหลอฝาดไปในงานนี้จัดไปให้เต็มที่แบงพันอยู่ในเมื่อเอาไปไปแต่คือฉุมาแน่โหลดทางนี้เอสกมาโย่ออกมาโย่ใสสะกมือ่าแบบดูดุ่มม่ะชิกกิชิกก o พุ o body body MP ดสมหักพ o o m o o m คืนี้มไ k i l l on the f l o o ถึงได้ออมาเฉลีน้ามาโซ่ำส่บบว่สทหยังลุยได้ อยาเพิรอเธอเด็แล้เขามาชิดชไกลเธอน่ะคิดร้ายพ่ต้องรองไว้แล้วพี่ไม่ได้จะคิดร้้ายเอไม่ต้องกังวลมีมีเธอก็ขอแค่มีน้ำเลยเล้วเธอทำได้ไหมพี่นายคนจริงไไม่ได้ิด้จ๊พี่นายคนจริงไดไม่ได้คิดโวแรงกว่านี้ได้ไปขะอีนึกแค่นี้เจ้ h และกันเอาด้วยอาเพงเห็นกับตาอยากวนปดีดดาดากวน้องิไม่ค่ เธอไม่สนไม่เป็นไรอบอกว่าไม่รวยเท่าไรแต่เอลพี่ติดไฟ I'll tell y how m u c I love y b y m